ความตายคือสัจธรรมในขณะนั้นอ่อนยังรู้สึกในรูปกายของอ่อนอยู่เลยแต่เบาเหมือนปุยเมฆหรือไอน้ําที่รวมตัวกันอยู่วิญญาณอ่อนกําลังหลุดออกจากร่างของอ่อนทีละนิดทีละนิ ด, นดจนเกือบจะพ้นหมดแล้วเหลือเพียงแค่เขา่าที่กําลังจะหลุดพ้นจากศีรษะของอ่อนในขณะนั้นเองอ่อนเห็นจีวรพระสีเหลืองคล้ําำ พลิวสวยโบกสะบัดไปมาเป็นจีวรผืนใหญ่มากห่มคลุมร่างของพระรูปหนึ่งอยู่และท่านใช้จีวร น, นั้นโบกสะบัด ต, ตลอดเวลาด้วยท่าทางที่สง่างามน่าเกรงขามขณะที่ท่านโบกผ้าอยู่นั้นท่านก้มลงมามองที่อ่อนราวกับท่านกั้นระหว่างความตายและความเป็นของอ่อนอยู่ ใจของอ่อนก็ยังคงเร่งภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดมีความรู้สึกอยากไปกราบพระสงฆ์รูปนั้นเพราะเกิดความรู้สึกปลอดภัยและสงบเมื่อเห็นท่านมาโบกจีวรช่วยอีกใจก็ฉุกคิดเป็นห่วงพ่อแม่ที่แก่แล้วก็มีเสียงตอบมาในใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีพี่น้องดูแลอยู่แล้วตั้งหลายคนใจของอ่อนที่น้อมไปที่พระองค์นั้นเป็นใจที่สบายมันเย็นชุ่มชื่นใจ เป็นภาพที่สวยงามที่ได้เห็นในวินาทีที่คิดถึงพ่อแม่ว่าเราเป็นลูกคนเล็กควรที่จะต้องอยู่ดูแลพ่อแม่แม้ว่ามีพี่หลายคนแต่ก็คงไม่มีใครรับผิดชอบได้ดีเพราะพวกเขาต่างก็มีครอบครัวมีภาระเต็มมือกันหมดทุกคนอ่อนหันกลับขึ้นไปมองที่องค์พระเห็นว่าท่านยังคงมองอ่อนอยู่มือที่ท่านโบกจีวรหยุดลง ทำให้เห็นใบหน้าท่านชัดเจนขึ้นมากเมื่อได้คิดและแตัดสินใจว่าจะต้องเป็นผู้คอยดูแลพ่อแม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อจึงได้กลั้นใจดิ้นเต็มกาลังทันทีก็มีความรู้สึกตัวว่าหล่นลงมาวิญญาณที่กาลังจะหลุดออกจากร่างก็ย้อนกลับเข้ามาในร่างตามเดิมในลักษณะยืนมือกลางออกเหมือนตอนโดนฟันและหล่นลงมาจากบ้านเสาเดียวตามในฝันนั่นแหละ พอรู้สึกตัวก็ยืนไม่อยู่แล้วหมวนลงมากองอยู่บนพื้นเพื่อนๆนวิ่งเข้ามาประคองนึกว่าแย่แล้วที่จริงแล้วก็ควรจะแย่อ่อนคงตายไปแล้วหากไม่ได้พระองค์นั้นซึ่งอ่อนยังไม่เคยได้พบท่านมาก่อนเลยอ่อนเพิ่งรู้ว่าคนใกล้ตายเป็นอย่างไรมีความรู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้แค่มือเอื้อม มันเบาเย็นสบายไม่มีความเจ็บปวดทรมานอะไรแต่ก่อนหน้านั้นสิมันเจ็บปวดทรมานพอผ่านจุดนั้นไปได้แล้วก็หมดความรู้สึกตัวอ่อนก็เช่นกันประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้อ่อนเป็นคนนิ่งเฉยมากขึ้นพูดน้อยลงพิจารณาเจริญโมรณานุสติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะคิดแล้วว่าเราตายได้ทุกขณะความตายคือสัจธรรม